ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมท้งประธรรมและประสงค์เป็นสณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงข้อสมา ธ, ธิิตามเทราธิบายของท่านพระสาริบุตร แก่ภิกษุทั้งหลายมาโดยลำดับจนถึงหมวดอาสวะและก็ได้แสดงข้ออาสวะกับข้ออนุสัยมาแล้วจะได้แสดงเพิ่มเติมถึงความเกิดขึ้นของอาสวะ อนุสัยตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้จากพระสูตรเพราะว่าอาสวะอนุสัยนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่หมักห ม, มมดองจิตสันดานที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสัตว์บุคคลทั้งหลาย เราทั้งหลายได้ทราบก็เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความตรัสรู้ของพระองค์ได้เจาะแทงลงไปถึงอาสวะอนุสัและถอนกำจัดอาสวะอนุัยในหมดสิ้นด้วยพระปัญญา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 อันเป็นสมุทยัยแห่งกิเลสและกองทุกทั้งปวงจิตนี้พระองค์ได้ตรัสบอกไว้ว่าประพัดสอนคือผุดพองแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสทั้งหลายที่จอนเข้ามาแต่ว่าเมื่อบุคคลได้สนับธรรมะที่ทรงสั่งสอน ทาจิตตภาวนาคืออดบมจิตตามที่ทรงสั่งสอนด้วยมักมีองค์แปดย่อลงก็ศีลสมาธิปัญญาจิตก็จะวิมุตตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องสมองที่จอนเข้ามาเป็นจิตที่ประกอบเรวิชาคือความรู้อันตรงกันข้ามกับอวิชชา วิมุตคือความหลุดพ้นอันตรงกันข้ามกับภูปาทานคือความยึดถือพิจารณาดูตามกระแฉกระแสพ ร, ระพุทธภาสิทธิตที่ตัดแสดงไวน้นี้ก็ย่อมจะเห็นได้ว่าจิตนี้แม้เป็นธรรมชาติติปพัตตสอนคือผุดพองแต่เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติทำกิจภาวนา อบรมจิตจิตนี้ก็ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงแม้จิตนี้จะเป็นทาตรู้แต่ก็ยังเป็นรูปแต่ก็ยังเป็นรูปผิดรู้หลงจึงยังมีอุปาทานคือความยึดถือและเมื่ออาจตนะภายนอกอาจตนะภายใน ประจบกันซึ่งเป็นไปตามธรรมดาของกายและใจอันนี้หรือของนา ม, มารูปอันนี้ก็ย่อมเกิดจากขูวิญญาณความรู้ทางจักสุคือเห็นรูปโสตวิญญาณความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงคานะวิญญาณทราบกลิ่นทางจมูก คิวหาวิญญาณทราบรถทางลิ้นกายวิญญาณทราบสิ่งถูกต้องทางกายมโนวิญญาณทราบเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางมโนคือใจและเมื่ออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจอายตนะภายนอก คือรูปเสียงกลิ่นรสผพิตภัคือสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางใจการทางราวทั้งสามอย่างนี้มาประชุมกันเข้าก็เป็นสัมผัสหรือผัสสาะ ค, คือความกระทบและเพราะสัมผัสคือความกระทบ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 อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะความจิตใจยินดีแม้ว่าสุขเวทนานั่นจะหายไปแล้วแต่ว่าราคาอนุสัยก็ยังตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตเมื่อพอบกับทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดความทุกข เดือดร้อนอย่างแรงก็ตี อ, อกชกัวต่างๆปฏิฆะคือความประทบกระทั่งนั่นก็ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นปฏิฆานุใสอิเลด ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งแม้ว่า ทุกขเวทนานั่นจะสงบไปแล้วแต่ปฏิคาหนูใสก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตเมื่อพบกเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จักความเกิดขึ้นความดับไปความน่าพอใจความไม่น่าพอใจและการที่จะ นำจิตเล่นออกไปได้นี้ก็เป็นอวิชชาก็นอนจมนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอวิชชาหนุใสที่เลทที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคืออวิชชาคือตัวที่ไม่รู้แม้ว่าเวทนาที่เป็นกลางๆงนั่นจะสงบไปแล้วแต่อวิชชาหนุสัยนี้ก็ยัง นอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นตะกรอนอยู่ในจิตซึ่งโดยปกติทุกคนก็จะไม่รู้สึกว่ามีอนุสัยเหล่านี้อยู่ในจิตยิ่งปิบัติธรรมะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ยังไม่เป็นมักกาจัดกิเลสได้อนุสัยเหล่านี้ก็ยิ่งไม่ปรากฏและก็ยังมีอยู่ ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตนอนจมอยู่ในจิตเป็นตะกอนอยู่ในจิตที่ดังที่เปรียบไปแล้วว่าเหมือนอย่างตะกอนนอนก้นตุม่มไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำในตุ่มก็ดูใสสะอาดแต่อันที่จริงนั่นไม่ใช่เป็นน้าบริสุทธิ์สิ้นเชิงเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุม่ม นี่คืออนุสสยที่พระพุทธเจ้าทรงพบได้ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งถึงความบังเกิดขึ้นของอนุสัยดังนี้ว่าอาศัยเวทนานี้เองหรือว่ากล่าวให้หมดก็คือว่าอาศัยอาจารณะภายนอกภายในของบุคคลที่ประจวบกันเกิดวิญญาณและทั้งสามนี้ก็ามา ประชุมกันเป็นสัมผัสหรือผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดราคะบังคือติดใจยินดีในสุขปฏิฆะบังคือว่าหุดหงิดในทุกขนวิชาบังคือไม่รู้ในเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขราคะปฏิฆะอาวิชาเหล่านี้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 ราคะปฏิกขาอาวิชชาที่บังเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทุกเวทุกวันทุกเวลาเหล่านี้ก่อนนอนจมลงไปในจิตนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอนุสสยเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอจบแปลวัตรกรก้นตมนั้นก็มากขึ้นมากขึ้นจะเมื่อไม่พุ่งขึ้นมาน้น้วไม่ตบมาดูอย่างใสส่วนอาสวะนั้น ก็มีตรัดแสดงไว้ในข้อที่จัดสอนให้ปฏิบัติในอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลินกายและมณนะคือใจดังที่จัดสอนเอาไว้ว่าเห็นรูปอะไรทางตาได้ยินเสียงอะไรทางหูสูดกลิ่นอะไรทางจมูก ลิมรสอะไรทางลิ้นถูกต้องผลสะพัฒคือสิ่งถูกต้องอะไรทางกายคิดหรือรู้เรื่องอะไรทางมนโนคือใจก็ไม่ยึดถือโดยนิมิตคือไม่ยึดถือทั้งหมดว่างามหรือไม่งามน่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจ ไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะคือเลือกแต่บางส่วนว่า ง, งามหรือไม่งามน่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจอภิชาคือความยินดีโทมนัสคือความยินไรบาปอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมไหลเข้ามาสู่จิต เพราะเหตุที่ไม่ได้สํารวมไม่ได้รักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลินกายและมรณะคือใจเหล่านี้เพราะตาหูจมูกลินกายและมรณะคือใจเหล่านี้อันใดเป็นเหตุยอมปฏิบัติรักษาอินทรีย์ คือตาหูจมูกลิ้นกายและมันนะคือใจเหล่านี้ไว้ไมิให้ยึดถือดังนั้นมิให้ความยินดีความยินไา่บาปอกุศลลัางหลายไหลเข้ามาสู่ใจอย่างนั้นดังนี้เรียกว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย ตามรัฐภาสิทธิ์นี่กรื่องอินทรียสังวรและก็ย่อมส่งความถึงว่าหากไม่มีอินทรียสังวรก็ย่อมจะยึดถือย่อมจะยินดียินไร้ย่อมจะมีบาปอกุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่จิตไม่มีอินทรียสังวรก็ย่อมจะ ยึดถือย่อมจะยินดียินไรย่ยอมจะมีบาปอากุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่จิตเพราะเหตุที่ยึดถือและยินดียินไรดังกล่าวหรือเพราะเหตุที่ม่ได้รักษามิได้สํารวมระวัง อินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและมรณะคือใจดังกล่าวมุคคนโดยมากย่อมย่อนต่อการรักษาอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้หรือว่าโดยปกติย่อมไม่รักษาอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้เมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูตลอดจนถึงคิดถึงเรื่องอะไรทางมโนคือใจย่อมจะยึดถือ สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินตลอดจงสิ่งที่คิดเป็นต้นนั้นยึดถือทั้งหมดหรือว่ายึดถือบางอย่างบางส่วนบางงามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างและเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดความยินดีความยินร้ายเกิดากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายไหลลงสู่จิตไหลเข้าสู่จิต ไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมรณะคือใจนี้เองสิ่งที่ไหลเข้ามาสู่จิตก็มาหมักหมมดองจิตสันดานอยู่เป็นกามาสะวะอาสะวะสิ่งที่ไหลมาดองจิตสันดานคือกามความใคร่ภวาสะวะอาสะวะคือพบความเป็น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 แลนะยึดถือก็ยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราก็เป็นภพซึงเป็นที่ต่างของอาสวะคือความกระทบและแม้เป็นกลางๆ ก, ก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จักความเกิดความดับเป็นตน้นก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้ แม้ว่าการเห็นการยึดถือความยินดีความยินไลเป็นต้นนั้นจะผ่านไปแล้วสงบไปแล้วแต่ก็ยังตกตะกอนลงมาเป็นอาสวะมาดองมาหมักหมมจิตสันดานเป็นกามสวะภ ว, วะสวะอวิชชาสวะอยู่เพราะฉะนั้นความมังเกิดขึ้นของอาสวะนั้น จึงมังเกิดขึ้นดังนี้และในสัมมาทิฏฐิสูตรทานประสาริบุตรก็ได้แสดงรวมกันไว้ว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีความเห็นตรงย่อมจะทำให้ประกอบด้วยความเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในธรรมะ นำมาสู่พระสัตธรรมคือพระธรรมวินัยนี้จะละราคาอนุใสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะจะถอนปฏิคาอนุสัยจะบรรเทาปฏิจะบรรเทาปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะวานัตถบทระทั่งจะถอน ทิฏฐิมานานุัยอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นจะละอาวิชาทำวิชาให้มังเกิดขึ้นจะกระทำทุกข์ให้สิ้นสุดไปได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เท่ากับท่านแสดงอนุสัยไว้เป็นสี่คือราคะ ปฏิฆะแหละอัตตมิทิธิมานานุสัยเรียกสั้นก็คือภวานุใสนั่นเองแต่ท่านไม่เรียกว่าภาวานุัยเรียกอย่างเต็มที่ว่าทิธิมานานุสัยอนุสัยคือทิฐิมานะความเห็นยึดถือว่าเรามีเราเป็นก็ตัวพบนั่นแหละ ดังที่กล่าวและอวิชชาก็เป็นอันว่าท่านนาเอาอาสวัอนุสัยที่แยกเอาไวน้นี่มารวมกันเข้าแต่แม้ว่าจะไม่รวมกันเข้าแยกออกเป็นสองหมวดข้อที่สองของหมวดทั้งสองนั้นจะต่างกันคือเป็นภาวะสวะกับเป็นปฏิคาอนุสัย แต่ก็มีความที่เนื่องถึงการสัมพันธ์กันต่างทีได้ที่บายแล้วก็วนับว่าเป็นอันเดียวกันได้แต่เมื่อแยกแสดงได้เป็นสี่ก็เป็นอันวครบถ้วนคือเป็นราคะหรือกามหนึ่งเป็นปฏิฆะหนึ่งเป็นภพหรืออัตตมิทิฏฐิมานะหนึ่งเป็นอวิชชาหนึ่ง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 เกิดวิญญาณเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาจึงยังมียินดีมียินร้ายยังมีหลงไม่รู้แหละแม้ว่าความประสบทางตาหูเป็นต้นความยินดียินร้ายหลงไม่รู้ที่บังเกิดขึ้นจะสงบไปเป็นคราวๆและก็ยัง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 รักษาอินทรีย์รักษาจิตมิให้ยึดถือยินดียินไรหลงไม่รู้ในเวลาที่ประสบเรื่องประสบอารมณ์ทางต่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมณะคือใจอยู่จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เพิ่มราคาอนุสัยและเมื่อศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัตินี้ลึกซึ่ง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 ร้อมท้งประพัดสอนคือผุดพ่องประกอบโดยวิชาวิมุตต์อยู่กับวิชาวิมุตต์ตลอดเวลาดังที่มีพระพุทธพาสิท์ตัดไว้ว่าตถาคตคือพระพุทธเจ้าทรงอยู่ในวิชาวิมุตต์ทรงมีวิชาวิมุตต์เป็นธรรมะเครื่องอยู่ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งตังใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป